ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยที่มันเข้าออกเข้าออกนี่ก็ไม่เที่ยงนะมันเป็นตัวแสดงถึงความไม่เที่ยงความไม่หยุดนิ่งถ้าหายใจเข้านะไม่หายใจออกก็ตายนะหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายหัวใจเราก็เหมือนกันนถ้าหัวใจเรานิ่งเนี่ยก็คือตายแต่พอหัวใจเราเต้นนะเราจึงมีชีวิตอยู่การที่หัวใจ มันมีการเต้นตลอดเวลานี้ก็เป็นความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งนะและความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละนะที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยแความทุกข์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันความยากลำบากก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะแต่เมื่อเราเจอความยากลำบากเนี่ย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 ถ้ารักสบายมากเนี่ยไม่ออกกำลังกายเลยเอาแต่นั่งน่งนอนๆทํทำงานก็นั่งนะจะเพลิดเพลินสนุกสนานก็นั่งคือดูโทรทัศน์ดูวิดีโอนะนั่งกม้มนะเล่นแชทเล่นไลน์แล้วก็ปากก็กินไปปากกินนะตาก็มองจอนิ้วก็จิ้ม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 แทนที่จะนั่งรถก็เดินบ้างแทนที่จะนั่งขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นบันไดเนี่ยไอ้คนนี้ก็ทุกข์ทั้งนั้นนะแต่มันมีประโยชน์มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ทางโลกเท่านั้นนะมันมีประโยชน์ทางธรรมด้วยทุกข์เนี่ยมันสามารถจะผลักผนให้เขาหาธรรมได้เพราะถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยก็คงจะยังหลงวนอยู่กับความสุขแบบโลกโลก ในสาธพุตการเนี่ยมีมีตัวอย่างคนที่เข้าหาธรรมเพราะว่าทุกทุกเนี่ยพลักเยอะมากเลยยังมีพรามคนหนึ่งชื่อราธาเนี่ยตอนหนุ่มก็สุขสบายดีนะมีครอบครัวพอแกแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกไม่เลี้ยงนะลูกไม่เอาใจใส่เรียกว่าลูกทิ้งเลยก็ว่าได้แล้วก็เสียใจนะไม่มีทางไปนะก็ เลยอยากจะบวชแต่ว่าไม่มีพระรูปไหนบวชให้เพราะเห็นว่าอายุมากแล้วนะแก่ชลามากแล้วพระพุทธเจ้าทราบนี่ก็เลยประชุมพระแล้วก็ถามว่าถ้าใครที่เคยระลึกถึงบุญคุณนะของราธะบ้างพระไตระบุตรก็บอกว่าเนี่ยจำได้ว่าพระาราธะพรามเนี่ยเคย ให้ข้าวหนึ่งก้อนนะก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณนะนะเพราะฉะนั้นก็พ่ะภาษาลูบุญก็เลยรับเป็นอุปชานะและ้วราธพราหมณ์นี่ก็แม้แก่นะชรานะคิดว่าคงประมาณเจ็0สิบแปดสิบนะแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดนะคือคนแก่ในส่วนใหญ่ก็จะดื้อนะไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ราธพราหมณนี่อ่อนน้อมถ่อมตนอาจจะเพราะสานึกนะว่า เราก็เคยนะเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีไม่มีไม่มีวัดไม่มีแพทย์บรรพชิตนี่เราคงจะแย่ไปแล้วนะเพราะว่าทู่ลูกเนี่ยไม่เอาเราเลยก็ตั้งใจปฏิบัติจนทั้งบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์นี่ถ้าลูกไม่ริงนะลูกไม่ขับสายนะก็คงไม่มีโอกาสเข้าวัดนะปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอาหารหันต์อีกท่านหนึ่งนะก็เป็นเศรษฐินีนะรวยมาก มีลูกอยู่ประมาณมีลูกเจ็ดคนนะลูกชายหมดเลยซึ่งก็นายถือว่าเป็นโชคดีนะมีลูกชายทั้งนั้นไม่มีลูกหญิงเลยพออายุมากเนี่ยลูกก็ลบเร้าว่าให้แม่ในแบ่งสมบัตินะล้วก็รับปากว่าแบ่งสมบัติให้ลูกแล้วลูกจะเลี้ยงแม่บอกว่าแบ่งไปจนหมดเลยนะก็ไปอยู่กับลูกคนโตเดี๋วลูกก็ลูกคนโต ภรรยาของลูกคนโตก็สักพักก็เริ่มจะบ่นว่าเนี่ยว่าว่ า, ายายเนี่ยนะหรือว่าแม่ผัวเนี่ยมีลูกต้องหลายคนไม่ใช่หรือสมบัติก็ได้เท่าๆกันทำไมต้องม า, ารบกวนเราด้วยพูดอย่างนี้มากๆนี่ลูกชายหรือผัวเนี่ยก็เลยบอกกับแม่ว่าเนี่ยน่าจะไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้าง เธอก็ไปอยู่กับลูกคนที่สองนะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันก็เลยไปอยู่ลูกคนที่สามก็ถูกบ่นถูกว่ามาอยู่ลูกคนที่สี่ห้าหกเจ็ดสุดท้ายไม่มีใครเลี้ยงสักคนเยนะเจ็บใจมากเจ็บช้ำน้ำใจมากนะจากคนที่ร่ำรวยนะกลายเป็นยาจกนะไม่มีที่ไปแม้แต่ลูกก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนึกถึงวัดนะเลยนึกถึงวัดนะสมัยนั้นเนี่ยบวชภิกษุนีได้ ก็เลยบวชพิกษุณีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจปฏิบัติแต่ก็ยังถูกพิกษุณีที่เป็นพันเตหรือผู้อาวุโสเนี่ยนะใช้งานสารพัดนะเพราะเพราะว่ามีพันษามากกว่าให้ไปช่วยต้มน้ำต้มน้ำในในครัวทำน้ำร้อนอากาศหนาวเนี่ยนะ พภิสุนีฉลาดนี้ก็ทำนะตั้งใจมีความเชื่อฟังระหว่างที่รอน้ำเดือกก็เดินจงกรมนะเดินจงกรมก็พิจารณานะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาถึงความเป็นธรรมดาของสังขา ร, รบอกว่าบรรลุ ธ, ธรรมเลยนะเป็นพระอรหันต์เลยในในครัวเนี่ยนะขณะที่ทำงาน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าของคนที่เข้าหาธรรมนะเพราะว่าถูกทุกข์ผลักใสถ้าไม่ถูกลูกทิ้งนะก็คงจะไม่บรรลุธรรมหรอกก็คงจะอยู่นะกับลูกแล้วก็เลี้ยงหลานนะก็มีความสุขแบบโลกโลกนะเราก็ต้องเจอทุกข์ในที่สุดเพราะว่าต่อต่อไปลู ก, กอาจจะตายหลานก็ จ, จะตา ย, ห, า ย, าจจตายหรือตัวเองก็ จ, จะล้มป่วยนะแต่นี่เพราะว่า ถูกทุกถูกลูกผักใสนะอันนี้เราทุกทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าก็ทำให้ได้เข้าหาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเรื่องราวแบบนี้เราก็คงจะได้ยินเยอ ะ, นะในสมัยของเรานะป่วยเป็นมะเร็งนะทั้งทั้งที่ประสบความสำเร็จในการงานนะสุดท้ายก็หันเข้าหาวัดเข้าหาการปฏิบัติธรรมแล้วก็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 มีเงินทองมีชื่อเสียงมีเกติยตเนี่ยยากนะที่จะเข้าหาธรรมจนกว่าจะเจอความทุกข์ความทุกข์อาจจะเป็นความเครียดก็ได้นะเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับฝรั่งเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเจอความทุกข์แบบนี้เลยหันมาสนใจสมาธิภาวนาแล้ว เ, เดี๋ยวนี้เราก็เห็นนะักสมาธิภาวนาก็กลายเป็น เป็นวิถีชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยนะในยุโรปและอเมริกาคนหลายสาขาหลายอาชีพโดยเพาะพวกนักบริหารพที่ทำงานเกีเ่ยวกับเทคโนโลยคพวกนี้นี่ใช้สมองใช้ความคิดมากแล้วก็เครียดแล้วก็ทุกข์นะและทุกข์นั่นแหละนะที่ทำให้หันมาสนใจสมาธิภาวนาแล้วก็หันมาสนใจธรรมะด้วยพระเจ้าก็ตรัสนะว่าคนเราเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับม้าสี่ประเภท ม้าประเภทที่แล้วเนี่ยคือเป็นม้าที่มีคนขับนะเรียกว่าสารถีเนี่ยเพียงแค่เห็นประตักเห็นเงาประตักของสารถีเนี่ยประตั ก, กคือเหล็กแหลมที่เอาไว้ทิ่มเพื่อบังคับมา้าเพียงแค่เห็นเงาของของประตักเนี่ยบนพื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเภทที่สองเนี่ยต้องโดนแทงก่อนนะะแต่ว่าแทงเบาเบานะ มันก็ถึงจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อประเภทที่สามันต้องโดนแทงไปถึงเนื้อแทงไปถึงหนังเลยนะถึงรู้ว่าจะต้องทำอะไรประเภทที่สี่ต้องโดนแทงไปถึงเนื้อเลยนะเรียกว่าเลือดซิปๆเลยเนี่ยมันถึงจะรู้นะว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนสี่ประเภทก็เช่นเดียวกันนะประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายได้ข่าวว่ามีคนตายนะ ในบ้านนั้นบ้านนี้ก็เกิดความสังเวชสังเวชในที่นี้ไม่ได้มาถึงความสลดทดหัวนะแต่มาถึงความตื่นตัวว่าโอ้สักวั น, นเราก็ต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรีบปฏิบัติธรรมแล้วปเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายต่อหน้ากันนเห็นคนตายเนี่ยอาจจะเป็นศพแล้วก็ได้ก็เกิดความสังเวชเกิดความตื่นตัวที่จะเข้าหาวัดปฏิบัติธรรม ประเภทสามยังคนใกล้ตัวน่ะตายเนี่ยถึงค่อยตื่นตัวเข้าหาธรรมะประเภทที่สี่เนี่ยความตายมาใกล้ตัวเนี่ยเช่นป่วยหนักนะถึงค่อยเนี่ยนึกถึงธรรมะนะเข้าหาธรรมเห็นได้ว่าเนี่ยทั้งสี่ประเภทเนี่ยนะก็รู้แล้วแล้วต่ว่าเข้าหาธรรมเพราะว่าทุก์เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวผลักนเพียงแต่ว่า จะเป็นทุกแบบไหนนะคนฉลาดนี่ก็เจอทุกแบบเบาๆ ก, ก, ก็รู้แล้วนะว่าควรจะทำอะไรประเภทที่สีนี่หนักหน่อยต้องเจอทุกประเภทหนักๆนะสามสี่ต้องเจอทุกประเภทหนั ก, ๆ, นะเ ก, เนกๆเนี่ยเรียวกว่าฟูมไฟลนะ์ถึงค่อยเข้าหาธรรมะแต่ทั้งหมดนี่ก็รู้แล้วแต่เป็นเพราะทุกนะที่อยางเจาชาสิทธัตถา น, นี่ก็ทุกนะนะทุก จึงต้องสระทิ้งวังออกบวชเพราะรู้ว่าชีวิตในวังเนี่ยมันไม่สามารถจะช่วยทาให้หายทุกข์ได้ทำชนายการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัด ก, กับเราได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำธรรมดาธรรมดานะ่จะเป็นนะความคิดคำหนึ่งของเจ้าชายสิทธรรัตถะเหมือนกันนะเมื่อเจอความทุกข์ทั้งที่สบายกายนะแต่ทุกข์ใจ ทุกใจที่ต้องรู้ว่าที่รู้ว่าตัวเองสักวันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่เจอความทุกข์แบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะทิ้งวังนทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ยออกบวชได้ท่า น, นทุกมีประโยชน์นะทุกเนี่ยมันผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้แล้วก็พบของดีของวิเศษในที่สุด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 ทำความสะอาดร่างกายเอาจีวรไปต้มไปซักก็เริ่มสบายใจหน่อยแต่ว่าทุกขเวทนาก็กำเริบหนักขึ้นกำเริมหนักขึ้ น, ร, น, นระหว่างนั้นเองเนี่ยพระเจ้าก็แสดงธรรมนะสั้นๆ น, นะซึ่งเราก็สวดอยู่บ่อยๆนะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสังขารเนี่ยข้อความก็ว่าอจิรังวัตยังกายโยนะร่างกายนี้ไม่จีรังหนอนะเมื่อบิน ญ, ญาลจากล่างแล้วถูกคนทิ้งนะก็จะนอนทับ ซึ่งแผ่นดินนะเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้คือชี้เห็นเนะว่าทุกเนี่ยนะว่าสังขารนี่เป็นทุกมากเลยเนะี่ยไม่งามไม่น่ายึดถือเลยปฏิสานนี่ซึ่งเจอทุกกับตัวเนี่ยเจอทุกไปธนาบีบคั้นแล้วก็เห็นเลยนะว่าสังขารนี่มันไม่งามเลยทุกทั้งนั้นเนี่ยเจอทุกกับตัวเองท่านพิจารณาตามไปด้วยนะที่พระเจ้าได้ได้ไ ด, ได้ได้กล่าวเป็นคาถาสั้นๆเนี่ย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 เรื่องไตลักแล้วก็มีหลายรายนะที่เจอทุกแบบนี้นะบางท่านนี่ก็โดนเสือกัดนะขณะที่ทุดดงเสือกัด น, นี่ก็ปวดนะแต่ระหว่างที่ปวดเนี่ยท่านไม่ได้ท่านก็ใช้สติพิจารณานะให้เห็นเลยนะว่าโอ้สังขารนี่มันปวดมากสังขารนี่เป็นทุกข์มากเห็นความปวดนะไม่เป็นผู้ปวดเลยตอนนั้นเนี่ยเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวด พอเห็นความปวก็คือเห็นทุกนั่นแหละเห็นทุกนี่ปัญญาก็เกิดเลยนะปัญญาจะเคยรับรู้มาแล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกแต่ว่าพอเห็นทุ ก, กับตัวเองนะเจอทกุกับตัวเองนี่ปัญญามันเรียกว่าสว่างโพรงเลยนะแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้ซึ้งแก่ใจจิตก็หลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์คาปากเสือนะเ น, นี้ยทุกเนี่ยสอนทำได้ดี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 ชีวิตเราเนี่ยก็เจอทุกข์กันทั้งนั้นนะเจอทุกวันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกข์แบบเบาๆพอทนได้แต่ต่อไปก็จะเจอทุกข์หนักๆนะความเจ็บป่วยความพลาดพ่าดสูญเสียเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะลองมองให้ดีนะอย่ า, อาแต่ฟูมฟายอย่ า, อาแต่เสียใจอย่ า, อาแต่เอาโกรธเศร้าโศกนะอันนี้เราทุกข์ฟรีนะ แล้วก็ขาดทุนด้วยเพราะว่านอกจากเสียของเสียทรัพแล้วเนี่ยใจก็เสียด้วยแล้วก็จะทำให้เสียสุขภาพเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ป่วยเสียงานเพราะไม่มีสมาธิทำงานเสียเพื่อนเพราะว่าโกรธหงุดหงิดนะโวยวายใส่เพื่อนนะอารมณ์หมดจอยเพื่อนก็เลยไม่อยากคบหา แ, แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเออเราตั้งสติให้ดีแล้วพิจารณา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 กลาเป็นมีหน้าตาแบบนั้นเนี่ยก็คงอยู่ด้วยความทุกข์นะแต่ว่าไม่นา น, นจิตเธอก็เปลี่ยนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารเป็นพนักงาน c a เซนเตอร์ไม่ได้ปิดบังหน้าตาของตัวใครมาทักก็ถามใครมาถามว่าคุาชื่อเค้กใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่ก็เคยออกได้รับเชิญไปอออไรายการโทรทัศน์ เคมีคนถามเธอกโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกท่านไม่โกรธเลยนะละที่จริงอยากจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นด้วยนะเหตุการณ์ที่ถูกนำกฎศาสร์น้าวว่ามันทําให้เธอเนี่ยได้คิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นยังไงคิดเป็นผู้ใหญ่คือว่าทําให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยแล้วทําให้ตระหนักว่าความเสื่อมของร่างกายสังขารนี่นะมันเป็นธรรมดามันต้องเกิดขึ้นแน่นอน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 แม้ว่าจะยังไม่เข้าใจถึงขั้นนะเกิดปัญญาจนจิตหลุดพ้นนะแต่ก็ช่วยทําให้ใจนี่เบาไปเยอะนะตือบอกว่าเนี่ยเวลาใครจะพูดอะไรถึงเธอเนี่ยนินทาอะไรเธอเธอปล่อยวางไม่ถือสาเพราะาเรื่องที่หนักกว่านี้ก็ปล่อยวางมาได้แล้วเนี่ยให้เรื่องเล็กน้อยจะจะเป็นทุกข์ไปทําไมนะอันนี้เรียกว่าทุกสอนธรรมนะ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 ไม่ว่าจะเป็นทุกภายนอกที่เกิดกับร่างกายเกิดกับสิ่งของหรือทุกภายในที่เกิดกับใจมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแม้แต่นิวร์นะนิวรณ์หาความออ ก, การมราคะหรือว่าพยาบาทความขุ่นเคืองความฟุ้งซ่านอุทจักกุก จ, จกัความรังเลสงสยัยมีคาถามพูดขึ้นมาบ่อยๆตลอดเวลาหรือความงงาหาหน่อยพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะ มันก็สอนทรรมได้เช่นเดียวกับกุศลธรรมอื่นๆนะเพราะว่ามันก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงและมันก็เป็นทุกข์มันเป็นอรัตตาเพียงแค่เข้าใจเรื่องนิวรณนะเข้าใจนิวรเนี่ยทั้งห้าเนี่ยก็ถือว่าเห็นธรรมนะในการเจริญสิบปฐานสี่เนี่ยข้อสุดท้ายคือเห็นธรรมในธรรมเนี่ยเห็นธรรมในธรรมเนี่ย ข้อนึงก็คือว่าได้เข้าใจเรื่องนิวรณ์ธนาะที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนิวรณ์ธาเท่านั้นทุกทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะอริยสัจข้อแรกนี่คือทุกนะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ที่ยังไม่ค่อยรู้กันคือว่ากิจที่ควรทําต่ออริยสัจแต่ละข้อหรือว่าท่าทีที่ถูกต้องนะเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่ละข้อ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 ถ้าเรากลวัวถ้าเรากลัวความตายเราเกลียดความตายนี่เราจะทุกข์มากนะแต่ถ้าเรามองความตายเป็นมิตรหรือมองว่าความตายเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจมันนะเมื่อเข้าใจมันเห็นประโยชน์ของมันเห็นว่าความตายไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นโอกาสนะเป็นนาทีทองด้วยอันนี้อาจารย์พุทธทาสพูดนะเห็นว่าความตายเนี่ยมันมีพลังที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็เข้าใจธรรมะ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 เราจะขาดทุนเวลาเจอทุกข์นะเราจะได้กำไรนะเพียงแค่ถ้าจะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยน ะ, ะแทนที่จะเอาแต่เสียใจเอาแต่หงุดหงิดนะตั้งหลักมาดูนะว่าเออมันบอกอะไรเรามันสอนอะไรเรานะ่อย่างที่พูดเมื่อวานนะหลวงปู่ขาวก็บอกว่าเนี่ยให้มีความอยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกข์เวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็ ใครควรนะสักหน่อยนะว่าเออมันสอนอะไรเราเวลาของหายเงินหายนะก็อย่ า, าแต่ฟูมไฟล์หรืออย่าเอาแต่นั่งตาปิดๆทําตาปิดๆก็ยังดีนะดีกว่าฟูมไฟล์นะทําตาปิดๆก็ยังดีกว่าฟูมไฟล์แต่ว่าจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าเรานะีมาพิจารณามันสอนอะไรเรานะหรือว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราเช่นอาจจะสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง สอนให้เราจักปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราก็ทุกข์แนละ้วคนเราเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางได้ต้องเจอทุกข์นะเพราะถ้าไม่เจอทุกข์มันไม่ปล่อยนะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นความจริงที่อยากให้พิจารณาคนเราเนี่ยถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยไม่รู้จักปล่อยหรอกนะต่อเมื่อเจอทุกข์มันจึงเห็นความสําคัญการปล่อยเพราะถ้าเจอสุขเนี่ยมันมีแต่จะยึด ยิ่งเจอสุดเท่าไหร่ยิ่งยึดมากเท่าไหร่ยิ่งสบายมากเท่าไหร่ยิ่งยึดมากเท่านั้นแต่พอร่วมบรรทุกร่วมไม่สบายมันอยากจะปล่อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ปล่อยนะปากก็โวยวายว่าทุกทุกทุกนะแต่ว่าใจไม่ปล่อยนะอันนี้พระเจ้าเคยตรัสนะว่าเปรียบเทียบว่ามีคนจํานวนมากมายเนะี่ยวิ่งพลานแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนร้อ น, อนขณะที่ในมือนี่ก็ถือคบเพลิง ก็มีชายฉลาดนะผู้มีปัญญาก็บอกให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยว่าปล่อยครบไฟสิก็จะหายร้อนไม่มีใครปล่อยสักคนเลยมีน้อยคนที่จะปล่อยนะมีน้อยคนที่จะปล่อยที่เหลือนี่ก็ยังยึดเอาไว้นี่ขนาดร้อนนะยังไม่ยอมปล่อยนะต้องให้ร้อนมากกว่า น, นี้นะถึงจะปล่อยนะถ้ามันเย็นสบายนี้ยิ่งยึดเข้าไปใหญ่นะนะเพราะฉะ้นเนี่ย ถ้าเราเนี่ยมองในแง่นี้บางนะว่าความทุกเนี่ยมาสอนเนี่ยเราปล่อยให้วางนะไม่ใช่เอาแต่ฟูมไฟล์เสีย อ, อกเสี ย, ยใจกลดาชตากรรมเนี่ยอย่างนั้นขัดทุนอ่แล้วก็ชาญยุบุกธนินนะอ้าวกราบพระ